โอ้ม oh, ีเวลาอยู hmm. ่สบายเอามีไมไหมขอไม้ใ hmm. ห mm ้ห hmm. น mm ่อยครับบางทีเราวามคัเเหมือนเข้าใจล้วเหมือนไม่เข้าใจคือยกอย่างเหมือนสองแบบเลยเหรอเชนเชนบอกว่าจิตเราจะจับอยู่กับอารมณ์ใจอารมณ์นะฮะอย่างเราเดินหานั่งเนี่ยเราเกิดสิ่ท่ธนวามันเข้าศพอ่จิตเราวิญญาเราหลับละ ถ้าไปฟังถ้าได้ยินเสียงมาแล้แสดงว่าจิตทำงานแล้วทำงานแล้วก็คือถือว่าเราหลุดจากกรรมฐานถือว่าจิตมันเคลื่อนไปแล้วจะว่าหลุดจากกรรมฐานเนียยังเนี่ยยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ตัดสินโอเคพอเราเคลื่อนไปเรารับแล้วเราได้ยินแต่ไม่ได้คิดว่าใครทำเสียง อ, อะไรก็แต่ปีกเลยได้ยินแล้วปีกเได้ยินเราพยายามกลับมาห้พยายามกลับมานะ่ะผิด <laughs> แค่รู้ว่าเมื่อกี้จิตเคลื่อนไปใช้ได้ หรือว่าพอมจิตเคลื่อนไปแล้วโอ้ไม่ดีเลยเม่กี้ขาดสติรู้ทันความความไม่ชอบใจก็ใช้ได้ไอันั้นคือถ้าอย่างนี้อันั้นคือตอนเคลื่อนนั้นไม่มีสติชอแต่ตอนรู้ทันว่าเคลื่อนไปแล้วไม่ชอบใจรู้ทันความไม่ชอบใจตอนนั้นมีสติทีนี้พ<ม> อ, อแต่สติอีถ้าถ้าเม้นไม่ทําเข้าใจผิดหรือถ้าอย่างนี้สติคือถึงที่เกิดขึ้นแค่ว่างเยวไม่อยู่ไม่ดังใช่ใช่เลยไอความหลงนั้นเกิดขึ้นนะ รู้ทางความหลงตอนรู้ทางความหลงเนี่ยมีสติตอนหลงไม่มีสติจิตอย่างที่บอกนะจิดดตดวงหนึ่งคิดไปเรื่อยๆดับไปจิตอีกดวงนึงก็กยังคิดอยู่เนี่ยนะสองดวงนี้ยังยังฟุ้งซ่านจิตดวงนึงเกิดขึ้นมาตามหลังฟุ้งซ่านยังฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยนะจิตดวงใหม่รู้ว่าเมื่อกี้นี้มีความฟุ้งซ่านจิตดวงนี้เรียกว่ามีสติและเป็นธรรมดาของจิตที่เกิดดับจิตที่มีสติก็ดับไปด้วย แล้วอย่างนี้ถ้าหว่าสมมติเราตั้งในกรรมฐานแล้วปีนเอาอามณ์แลจิตเราอยู่ได้นานๆอันนันไม่ใช่สติแต่เป็นสมาธิจิตไปอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานๆเรียกว่าทำสมถะเออเดี๋ยวขอใหม่ฮเผื่อเผื่ออัดเสียงไว้นิดอย่างเมื่อกี้ที่ถามก็ท่านอธิบายเสร็จจะมีอยู่จุดนึงซึ่งเมื่อกี้ท่านบอกว่ารู้จักกรรมฐานหรือไม่ยังไม่แต่ แล้วอย่างนี้เราเอาอะไรตัดสินแล้ว เ, เต้องตัดสินไหมครับเพือ่อว่าหรือว่าเรากำหนดหรือไมห่หรืออะไรออเอาเป็นว่าแค่เมื่อกี้มันเผลอไปแต่ถ้าเผลอแล้วรู้ตัวกําลังทํากรรมฐานอยู่กรรมฐานเนี่ยอย่างที่บอกแล้วมันมี2แบบกรรมฐานเพื่อความสงบกับกรรมฐานเพื่อควา ม, ม ร, ร, รมาู้แจ้งกรรมฐานเพื่อความสงบก็คือสมถกรรมฐานกรรมฐานความรู้แจ้งคือรู้จริงๆเอาความรู้ตัวนี้นะความรู้ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่คิดเอา คือรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วถ้าสิ่งที่เรารู้เป็นของจริงนะของจริงหมายถึงว่าอย่างที่บอกแล้วไม่ใช่สมมุติสิ่งที่ที่เราเป็นเรียกว่าเป็นของจริงเนี่ยมันมีของจริงแบบสมมุติกับของจริงแบบปรามัดถ้าสิ่งที่เรารู้นี่เป็นของจริงแบบปรามัตดคือของจริงจริงๆไอ้ของจริงจริงจเนี่ยจะแสดงความจริงให้ดูเองเองด้วยแสดงความจริงให้ดูเองถ้าความโกรธเกิดขึ้น ความโกรธเป็นของจริงจริจริงเป็นปรามัดถ้ามีสติไปรู้ความโกรธนะความโกรธดับจริงๆดับเองแล้วที่มันเห็นมันแล้วมันดับเองเนี่ยมันแสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันแสดงความจริงว่ามันอยู่นิ่งไม่ได้แค่มีสติไปมันดับไปเองไม่ได้มีความจงใจจะดับมันเลยอย่างงี้ยธควรจะเียนมัสลับสลับอ๋อมันสลับอยู่แล้ว ไม่ต้องจงใจสลับมันสลับอยู่แล้วที่วันนี้หรือในคอสนี้เน้นวิปัสสนาเนี่ยนะเพราะว่าวิปัสสนาเราไม่ค่อยได้เรียนกันแล้วก็ไม่ได้ทําสมถะเนี่ยทํากันอยู่แล้วแล้วในขณะที่ฝึกวิปัสสนานะเดี๋ยวมันก็พลิกมาเป็นสมถะโดยอัตโนมัติของมันอยู่แล้วตอนใดที่ไม่ได้เห็นไตรลักษนณะ์น่ยแล้วอยู่นิ่งๆนะนก็กลายเป็นสมถะสมถะไม่ต้องฝึกก็ได้เพราะเราฝึกกันอยู่แล้วในคอสนี้นะเราฝึกกันมาอยู่แล้วแหละ สิ่งที่ที่ไม่อยากให้เสียของคือไม่อยากให้เสียชาติเกิดก็คือควรจะมาฝึกวิปัสสนาอันนั้นจําเป็นกว่าหรือว่ามีค่ามากกว่าที่ชาตินี้ควรจะทำให้ได้เหมือนเขาที่ทำอะไรลาดถ่านน้ำแข็งนะ่ะทา้าท่ากันนะตอนนี้อาตมา ก, ก็ท้าโย้วว่าควรจะทำวิปัสสนาให้ได้เขาท้าทีละสามคนอาตมากท้าทั้งห้องเลย